มีถ้อยคําดํารงมั่นมีถ้อยคํามั่นคงเชื่อถือได้ไม่พูดให้เคลื่อนคลาดแก่โลกคือไม่ลวงโลกอ่ะนะนคําพูดที่จริงเสมอนี่แหละเรียกว่าสํารวมวาจาคือไม่พูดคําชั่วเลยละปิสุนาวาจาคือคําพูดสอเสียดเว้นขาดจากคําพูดสอเสียดคือฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายคนหมู่นี้หรือฟังข้างโน้นแล้ว่ะ ไม่มาบอกคนหมู่นี้เพื่อทำลายคนหมูน่นู้นเป็นผู้ที่สมานคนที่แตกกันบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพียงกันบ้างมีความพร้อมเพียงเป็นที่มายินดียินดีในความที่บุคคลเนี่ยพร้อมเพียงกันมีความเพลิดเพลินในบุคคลที่พร้อมเพียงกันกล่าววาจาที่ทำให้เขาพร้อมเพียงกันด้วยประการอย่างนี้เรียกว่าละปิสุณาวาจาไม่พูดให้เขาแตกแยกกันแต่ขณะพูดให้เขาสมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน ละพุทธสวาจาเว้นขาจากพุทธสวาจากล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษคือไม่พูดคําหยาบอนะไม่พูดคํำบดุดขวานเหมือนกันเนี่ยเนะพิน่นกล่าววาจาที่ไม่มีโทษอันไพเราะสนะโอสดเป็นที่ตั้งแห่งความรักยั่งลงถึงฮะไทยเป็นคําของชาวเมืองที่คนหมู่มากพอใจชอบใจมันก็ไม่พูดคําที่ที่คําหยาบนะพูดแต่คําที่คนเขาชอบฟังอะ่ะ ละสัมผัสปลาปะก็คือละคำเพื่อเจนะเว้นขาดจากคำเพเ่อร์พูดโดยการอันควรพูดจริงพูดอิงอัดพูดอิงทำพูดอิงอิงอัดก็คือประโยชน์ทั้งหลายนะอิงทำก็คืออิงโลกุตระธรรมพูดอิงวินัยคือสังวรวินัยอิงปะหานวินัยพูดกล่าววาจาเป็นหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่อ้างอิงก็คือมีอุปมาเป็นต้นก็เป็นคาพูดที่มีส่วนสุดนะ ประกอบด้วยประโยชน์โดยกาละอันควรเป็นผู้ประกอบด้วยวจีสุจิรสีกล่าววาจาปราศจากโทษส่อย่างงดเวน้นเว้นขาดสลัดออกอ น, นะสลัดพ้นขาดไม่ประกอบด้วยเดราชานกรถา32บประการคือเป็นผู้มีจิตปราศจากเขตแดนอยู่เนี่ยนะถ้าเขาจะพูดก็กล่าวกระถาวัตถุ10ประการ เรื่องที่ควรพูดนะนะเป็นคําพูดที่อาศัยวิวัติเนี่นะถ้าจะพูดก็พูดเรื่องมักน้อยสันโดษปรารบความอวิเวกนะนะไม่คลุกคลีปรารบความเพียนศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเรียกว่ากถาวัตถุสิบนี่นะหรือจะพูดก็พูดสติประธานพูดสัมมาประธานอิทธิบาทอินทรีย์พละพูดชงพูดมัชผลนิพานนะคำพูดลักษณะเหล่านี้เรียกว่าสํารวมวาจา พูด <c oughs> คำว่าผู้สำรวมวาจาก็คือสำรวมสำรวมเฉพาะคุ้มครองรักษาระวังสงบเนี่ยนะเรียกว่าผู้สำรวมวาจาคำว่าเป็นมุนีก็คือผู้มีโมนยธรรมทางกายวาจาใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคาถาสรุปว่าบุคคล น, นั้นแลผู้ไม่กโกรธไม่สะดุง้งไม่โอ้อวดไม่มีความรำคาญพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านสำรวมวาจาเนี่ยเป็นมุนีคือผู้มีโมนยธรรม นะคุณธรรมของพระอรหันต์นั่นเองส่วนในอัตกฐถาหน้าแ3บสากล่าวถึงเรื่องคำพูดที่ว่าพูดเรื่องมักน้อยสันโดษเนี่ยนะวิเวกปรารบความเพียรไม่คลุกคลีเนี่ยนะซึ่งอัตกถ า, าที่บายว่าบทว่าอ ป, ปิโชโะคือมีความปรารถนาน้อยในบทว่าอั ป, ปิชกถังนี้ได้แก่ เว้นความปรารถนาไม่มีความปรารถนาไม่มีความอยากนะมักน้อยเนี่ยในที่นี้แปลว่าไม่มีความอยากนะเพราะว่าพระขีณาศพไม่มีความปรารถนาแม้แต่น้อยอีกอย่างหนึ่งความปรารถนานี้พึงทราบประเภทดังนี้คือความปรารถนาลาบของคนอื่นเพื่อตนอย่างหนึ่งนะความปรารถนาลามมกเนี่ยอย่างหนึ่งความปรารถนาใหญ่เนี่ยอย่างหนึ่งความปรารถนาน้อยเนี่ยอย่างหนึ่งควรรู้จักสี่คพูดเนี่ยนะ คือปราถนาลาบคนอื่นเพื่อตนปรารถนาลามมกปรารถนาเป็นใหญ่กับปราถนาน้อยทีนี้มาดูว่าประเภทความปรารถนาเหล่านั้นเพิ่งทราบดังนี้ว่าความปรารถนาลาบของผู้อื่นเพราะไม่อิ่มด้วยลาบของตนเชื่อว่าปรารถนาลาบคนอื่นเพื่อตนนะก็ว่าต้องการแต่ของคนอื่นเนี่ยนะถามว่าเป็นยังไงบอกว่าผู้ประกอบด้วยความปรารถนาลาบคนอื่นเพื่อตนนั้นแม้เห็นขนมสุกในภาชนะหนึ่ง ที่เขาใส่ในบาทของตนก็ปรากฏเหมือนยังไม่สุกดีและเหมือนเป็นของเล็กน้อยอันนะคือของของจริงจริงอันนะมันเหมือนกันอ่ะของเขากับของเรามันเหมือนกันอ่ะเอ๊แต่ทําไมของเรามันน้อยจังอ่ะคนอื่นทําไมมากจังไอ้ของเราทําไมไม่ดีคนอื่นทําไมเป็นของดีอ่ะนะลักษณะเนี้ยจริงๆอ่ะของเดียวกันนั่นแหละเหมือนกันอ่ะแต่ว่าของเขาทําไมมันดีเหลือเกินนะของเราทําไมไม่ได้เรื่องอ่ะอนนะ จำนวนแบบชาวโลวกทั่วๆไปก็บอกเมียคนอื่นสวยจังเมียเราทําไมไม่สวยเลยลักษณะประเภทแบบนี้แหละเห็นไหอาหารเราทําไมไม่อร่อยเลยอาหารคนอื่นเนี่ยดูอร่อยจังเนี่ยลักษณะนี้เรียกว่าปรารถนาลาบคนอื่นเพื่อตนเนี่ยนะหรือบางทีก็บอกว่าวันรุ่งขึ้นเขาใส่บาตรของผู้อื่นไอ้ของตัวเองเนี่ยแหละสมมุติว่าพระพิสูจ์เนี่ยไปบินทบาทใช่ไหมของเราเนี่ยกับของคนอื่นไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าเอ้ของคนอื่นทําไมมันดีจังของเราทําไมเลวเนี่ยนะ ทีนี้วันรุ่งขึ้นวันใหม่ไปใหม่ก็เอาของที่เขาเคยใส่เราเนี่ยไปใส่คนอื่นนะนะก็ปรากฏเหมือนสุขดีและเหมือนของมากไอ้เท่าที่เราได้เมื่อวานเนี่ยแต่ถ้ามันถ้ามันมีแก่คนอื่นโอ้ยทำไมเยอะแยะไปหมดอันนี้แหละเรียกว่าความปรารถนาลาบของคนอื่นก็เห็นคนอื่นได้ดีแล้วเดือดร้อนน่ะนะพวกนี้เรียกขาดอะไรรู้ไหมขาดมุธิตาเนี่ยนะบอกขาดมุธิตาเนี่ยนะขาดมุธิตาเพราะนเห็นคนอื่นได้ดีเนี่ยไม่ดีสักอย่างอะนะ คำนวณว่าบ้านอยู่ใกล้กันเนี่ยแหละมันก็ซื้อราคาเท่ากันแหะแต่บ้านเขาทําไมมันดีเหลือเกินบ้านเราห่วยจังอย่างเงี้ยนะอะไรถ้ามันเป็นของเราไม่ดีสักอย่างแต่ของคนอื่นเนี่ยดีหมดนะมันมันริศลักษณะริศ อ, อิชานะริษยานั่นเองทีนี้ก็บอกว่าความสรรเสริญในคุณอันไม่มีและความไม่รู้จักประมาณในการรับชื่อว่าความปรารถนาลามกเนี่ยนะพวกปรารถนาลามกเป็นยังไงก็คือพวกว่าปรารถนา ลามกโดยนายเป็นต้นว่าคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาปรารถนาว่าขอให้ชนรู้จักเราว่าเป็นผู้มีศรัทธาจริงๆตัวเองไม่ได้เลื่อมใสอะไรสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าแหมทําตัวให้ดูเหมือนเป็นนักเป็นผู้เลื่อมใสเหลือเกินตัวเองไม่มีฮิริโอตปาหรอกแต่ว่าแสดงตัวให้คนอื่นรู้อนะว่าตัวเองเนี่เป็นผู้มีฮิริโอตปะตัวเองเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะตัวเองไม่มี สติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอะไรแต่ว่าแสดงตัวนะเหมือนกับว่าให้คนอื่นเนี่ยเขารู้ว่าตัวเองเป็นผู้มีศรัทธาเป็นต้นดังที่กล่าวไปส่วนบุคคลผู้ปรารถนาลาบก็ตั้งอยู่ในความหลอกลวงนะหลอกลวงด้วยอิริยาบทเป็นต้นเดี๋ยวจะมีข้างหน้าส่วนความสรรเสริญคุณอันมีอยู่และความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการรับนี่ชื่อว่าปรารถนาใหญนะ่เรียกว่าอวคุณธรรมของตัวเองเนี่ยนะ แม้ความปรารถนาใหญ่นั้นก็มาแล้วโดยนายเป็นต้นว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธา ก, ก็ปรารถนาว่าขอชนอื่นจงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีศรัทธาอันนี้คือว่าปรารถนาใหญ่แล้วนะปรารถนามากอนะย่อมปรารถนาว่าชนจงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีศีลเนีย่ยนะศรัทธาศีลสุตตะจ่าค่าปัญญานะีก็ปรารถนาจะให้คนอื่นรู้ว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยความปรารถนาใหญ่นั้นนะ่ะเป็นผู้ไม่อิ่มแม้ด้วยท่อนผ้า แม้มารดาผู้ให้กำเนิดก็ไม่สามารถจะเรียวเหนี่ยวรั้งความคิดของเขาไว้ได้เนี่ยนะก็มีครบพระพิสูจน์ที่ปรารถนาใหญ่เนี่ยนะปรารถนามากครัไม่รู้จักพอเนี่ยก็เป็นอย่างงั้นแหละท่านจึงอุปมาว่ากองไฟหนึ่งมหาสมุทรหนึ่งบุคคลผู้มีความปรารถนาหนึ่งชนทั้งหลายให้ปัดใจจนเต็มเกวียนแม้ทั้งสามประเภทนี้ก็หาอิ่มไม่ขนขนฟืนไปใส่เป็นเล่มเกวียนนะไฟจะพอไหมไม้พอ คนห้าเอาไปเยอะแยะไปหมดเลยไปถมอ่ะนะไปเติมมหาสมุทรนี่จะพอไหมจะเกินขึ้นไหมไม่พอคนผู้มีความปรารถนาใหญ่ก็เหมือนกันเนี่ยนะให้อะไรก็ไม่รู้จักพอสํานวนกว่ายกแผ่นดินให้ทั้งแผ่นดินก็ไม่พอนี่ยนะส่วนผู้มีอ่าส่วนผู้ปิดบังคุณอันมีอยู่และรู้จักประมาณในการรับชื่อว่ามีความปรารถนาน้อยเนี่ยนะผู้ปรารถนาน้อยก็คือปกปิดคุณธรรมที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็รู้จักประมาณในการรับ คือบุคคลผู้ประกอบด้วยความปรารถนาน้อยเนี่ยนะเพราะประสงค์จะปกปิดคุณแม้ที่มีอยู่ในตนว่าถึงมีศรัทธาก็ไม่ปรารถนาว่าขอชนจงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ถึงมีศีลเป็นผู้วิเวกเป็นพหูสูตรเป็นผู้ปรารบความเพียนเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิเป็นผู้มีปัญญาเป็นผ้าอรหรันก็ไม่ปรารถนาว่าชนจงรู้จักเราว่าเป็นผ้าอรหันเนี่ยนะเหมือนพระมัชฌันติกะเทระฉะนั้น ก็แลภพิษุผู้มีความปรารถนาน้อยอย่างนี้ย่อมยังลาบที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำลาบที่เกิดขึ้นแล้วให้ถาวรยังจิตของถายกให้ยินดีมนุษย์ทั้งหลายเลื่อมสายแล้วก็ในวัดของพิสูย่อมถวายมากโดยอาการที่พิสุนั้นเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยจึงรับแต่น้อยเ น, น, นะก็เอาเอ า, เอาแค่พอสมควรหมัน อีกอย่างหนึ่งความปรารถนาน้อยมีสี่อย่างนะคือปรารถนาน้อยในปัจจ mm. ัยปรารถนาน้อยในทุดงปรารถนาน้อยในปริยัติปรารถนาน้อยอธิในที่คมในสอย่างนั้นปรารถนาน้อยในปัจจัยก็คือมักน้อยในปัจจัยสีเนี่ยนะก็เอาตามสมควรคือภิกษุใดรู้กําลังของทายกรู้กําลังของทายธรรมและรู้กําลังของตนนะแบ่งออกสาอย่างนะแบ่งว่าผู้ให้ของที่ให้และตัวเองอ่ะถ้าหากว่าทายธรรมคือของที่จะให้มีมาก แต่ว่าทายกประสงค์จะให้น้อยก็รับแต่น้อยด้วยกําลังของทายกนะจริงๆเขาเขามีของเยอะแหละแต่เขาจะให้หน่อยเดียวอย่างเงี้ยนะเราก็เอาแต่หน่อยก็พอทายธรรมมีน้อยทายกประสงค์จะให้มากแต่ก็รับแต่น้อยเพราะว่าด้วยกําลังของทายธรรมอ่ะนะก็ของน้อยอ่ะจะไปเอาอะไรมากมายอ่ะก็เอาแต่น้อยเอาพอแม้ทายธรรมมีมากทายกก็ประสงค์จะให้มากรู้กําลังของตนก็ย่อมรับแต่พอประมาณเท่านั้น เมื่อไรโอ้ยอาจารเกยสอมีศรัทธามากหุงข้าวหม้ อ, อใหญ่เบื้องต้เลยนะเอามาให้เยอะแยะไปหมดเลยศรัทธาก็จะให้อะสาวตะชันหมดหม้อจะให้หมดหม้อเราก็ต้องฉันแต่พอสมควรเนาะเมี๋ยวไปเอาเกินไปเดี๋ยวก็เดือดร้อนคุณมลช่ยอีกนะพาไปหาหมออีกว่ากินมากเกินนะี่ก็เอาแต่พอดีเรารู้กําลังตนหน่อยอย่างงี้ยนะไม่ประสงค์จะแม่เคยบอกว่า มักน้อยในทุดงก็คือไม่ประสงค์จะให้รู้ว่าการสมาทานทุดงเนี่ยมีอยู่ในตนภิกษุนั้นชื่อว่าปรารถนาน้อยในทุดงนะนะมักน้อยในทุดงอ่ะนะก็คือแม้กระทั่งรักษาทุดงอยู่ก็ไม่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้ส่วนภิกษุใดไม่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้ว่าตนเนี่ยเป็นพหูสูตรผู้นั้นชื่อว่ามักน้อยในปริยัตคือเรียนมามากอ่ะนะแต่ก็ไม่ปรารถนาจะให้คนอื่นว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป็นผู้เรียนมามากมีความรู้มากเป็นต้นอ่ะ ราว่ารักนวนสงวนตัวเก็บเนื้อเก็บตัวไม่เล่าบอกใครเนี่ยนะส่วนพิสุดได้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ปรารถนาจะให้รู้ว่าตนเนี่ยเป็นพระโสดาบันเป็นต้นพิสุนั้นชื่อว่าปรารถนาน้อยในอธิคมนะนะบรรลุคุณธรรมแนละ้วก็ไม่ปรารถนาจะบอกคนอื่นส่วนพระขีนาสพเนี่ยละความปรารถนาลาบคนอื่นเพื่อลาบของตน ความปรารถนาลามกความปรารถนาใหญ่ได้แล้วพผ้าหันเนี่ยละหมดแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยความปรารถนาน้อยด้วยความบริสุทธิ์คือไม่โลภอันเป็นปฏิปปต่อความปรารถนาโดยประการทั้งปวงอ น, นะโลภะแม้แต่นิดเดียวพผ้าหันละหมดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงโทษในธรรมะเหล่านั้นว่าดูก่อนนวุโสทั้งหลายธรรมะเหล่านี้เพื่อความปรารถนาลาบคนอื่นเพื่อตน ความปรารถนาลาำมกความปรารถนาใหญ่ควรละเสียทรงแสดงว่าควรประสมาทานประพฤตในความปรารถนาน้อยเห็นปานี้ชื่อว่าอับปิจักรถาความปรารถนาน้อยส่วนสันโดษก็คือสันโดษสอย่างนะในปัจจัยสก็คือสันโดษตามมีตามได้สันโดษตามกำลังสันโดษตามสมควรในปัจจัย4ี่มันสคูณ 4, ก็เท่ากับ12เรียกว่าสันโดษ12 ส่วนการไม่คลุกคลีก็คือไม่คลุกคลีด้วยการอา น, นะอสังสักขานะไม่คลุกคลีด้วยการเห็นไม่คลุกคลีด้วยการฟังไม่คลุกคลีด้วยการพูดคุยไม่คลุกคลีด้วยการบริโภคร่วมกันแล้วก็ไม่จับต้องกันด้วยกายนี่นะเรียกว่าไม่คลุกคลีส่วนพวกที่คลุกคลีก็คลุกคลีด้วยการฟังก็บอกว่าฟังว่าเช่นฟังว่าผู้หญิงบ้าน น, นู้นสวยอย่างเงี้ยนะก็บอกว่า พอฟังแล้วแหมหมดกำลังใจจะเรียนธรรมะเลยนะเข า, าสวยมากก็เลยไม่อยากเรียนธรรมะแล้วเนี่ยนะจะไปเรียนวิชาเลี้ยงลูกเมียแล้วกันเนี่ยลักษณะเนี่ยเรียกว่าคลุกคลีด้วยการฟังนะนะอย่าเป็นอย่างนั้นนะส่วนปรารถความเพียร น, นะ คำพูดวิริยารำพักถาคำพูดปรารบความเพียรก็บอกว่าภิกษุเป็นผู้ประคองความเพียรไว้เป็นผู้มีความเพียรทางกายและทางจิตบริบูรณ์ในเวลาเดินก็ไม่ให้กิเลสเกิดยืนนั่งนอนก็ไม่ให้กิเลสเกิดยืนเดินนั่งนอนไม่ให้กิเลสเกิดเรียกว่าผู้มีความเพียร น, นะยืนแล้วเดินจงกรมทั้งวันแต่ก็ฟุ้งซ่านกิเลสกลุ่มรวมเอาอย่างนี้ก็เรียกว่าคนเกียดคร้านนั้นคน คนปรารบความเพียรก็คืออักขุชนไม่เกิดในอิริยาบทสีเนี่นะเรียกว่าผู้ผู้มีความเพียรประพฤติดุดบีบหัวงูเห่าด้วยมนดุดเหยียบศัตรูที่คอกล่าวสรรเสริญคุณของการปรารบความเพียรเช่นนั้นชื่อว่าวิริยารำพักถาส่วนปราลพูดเรื่องศีลก็คือผู้เรื่องเจตุปาริสุที่ศีลผู้เรื่องสมาธิก็สมาธิที่เป็นบาตของวิปัสนาหรือพูดถึงปัญญาก็ปัญญาที่เป็นโลกิยะโลกุตระเนี่ยนะ ส่วนวิมุตต์ก็คือพูดถึงอรหัตผลวิมุตติยานทัศนะก็คือปัจเจกขณะยาณ19มันพวกนี้เป็นกระถาวัตถุเนี่ยนะคำพูดกระถาวัตถุเหล่านี้เป็นคำพูดที่ควรกล่าวนะถ้าจะกล่าวก็กล่าวกระถาวัตถุสิกล่าวกระถาโพธิปัจญาธรรมหรือกล่าวมรรคผลนิพพานเนี่ยนะคำพวกนี้ผู้ที่กล่าวคำพูดลักษณะนี้เรียกว่าผู้ที่สำรวมวาจาเนี่ยนะเป็นผู้ที่สังวรในวาจาเนี่ยนะ